บุกทสี่สิบห้ารปที่โรงหนังอุคิโนเราอยากไปดูหนังมาคูดชมไปซิวกินนวันนี้มีหนังดีฉาย сегодня идея добрый фильм หนังเรื่องนี้เข้าใหม่ฟิล์มดูซนช่องขายตั๋วอยู่ที่ไหนคะยจส์นัที่นั่งว่างอีกไหมคะบัตรผ่านประตูราคาเท่าไหร่คะ คุณกี к ค่ о ตั๋วอุวะหุ่นนิบิเหนังเริ่มกี่โมงคะค่ะคุณจะไปดูหนังกี่โมงคะอยากดูหัวไอเดียจองตัว๋วล่วงหน้าได้ไหมคะดิฉันต้องการนั่งข้างหลัง Я хочу с я д е т ь на задних р а д а х Ты чан, т о н к а н нанг к а н на. Я хочу с я д е т ь на передних р а д а х Ты чан, т о н к а н нанг т р о н г к л а н Я хочу с я д е т ь у с е р е д и н е Нанг на, тун тен. Фильм был з а х в а т ы в ю ч и Нанг, м а й на, б у а ฟิล์มเบื่อหน่ายนุดนมแต่ในหนังสือดีกว่าหนังนะอเล็กนิกระภาพยนตร์ที่เขาถ่ายทำฟิล์มบป็นอย่างไรดนตรีเป็นอย่างไรย่างไรเป็นอย่างไรนักแสดงเป็นอย่างไรอย่างไราลีนอย่างไรมีคำแปลใต้ภาพเป็นภาษาอังกฤษไหม